ที่เป็นตัวอย่างครั้งแรกพี่นี้คิดว่าตนเองเป็นคนอัปลักษณ์หรือโชคร้ายที่สุดที่มีพระสวามีผู้มีหวังจะได้ครองบัลลังก์แห่งพระจักรพรรดิพระสวามีกลับเสด็จทอดทิ้งออกผนวดปล่อยให้พี่นี้เป็นมาอยู่เดียวได้แต่บัดนี้พี่กลับได้คิดแล้วว่าพระสวามีทรงทำเช่นนั้นเพื่อความประสงค์อันยิ่งใหญ่คือประโยชน์ส่วนรวมของโลกเพื่อความผาสุก ข, ของมนุษย์ทุก ชั้นวันนะจึงทรงสละประโยชน์และความผาสุขส่วนพระองค์พี่เข้าใจแล้วว่าความเป็นพระพุท ธ, ธเจ้านั้นมิใช่เพื่อโปรดผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เพื่อโปรดผู้คนทุกคนให้ได้ประสบแสงสว่างแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าน้องหญิงคิดว่าน้องหญิงโชคร้ายที่พระสวามีเสด็จออกผนวดแล้วพี่ก็จะเป็นเพื่อน หรือเป็นตัวอย่างของน้องหญิงให้เห็นว่าน้องหญิงไม่ได้เดียวดายเลยผู้ประเจิญชีวิตอย่างเดียวกับน้องต้องระทมทุกหนักมาถึงเจ็ดปีแต่ก็ได้เข้าใจเหตุผลและประจักษ์แจ้งในธรรมรสได้มานั่งเป็นเพื่อนน้องหญิงณที่นี้แล้วพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีทรงทรัพย์พระอสุชนให้พระสุนิสาแล้วตรัสว่า ลูกหญิงเ อ, อ๋ยแม่รู้และเห็นใจลูกไม่น้อยไปกว่าเจ้าพี่หญิงยโสธราชงห่วงใหญ่ถ้าเป็นสมัยอื่นที่แม่ยังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมคืออะไรและพระสงฆ์คืออะไรแม่นี้คงจะร้องไห้และเป็นคนวิ่งเต้นจัดการเรื่องราวทั้งปวงให้ลูกนันทากลับมาให้จงได้แต่บัด น, นี้แม่เข้าใจอย่างที่เจ้าพี่หญิงยะโสธราเข้าใจแล้วจึงจะขอกล่าวข้ออุปมาให้ลูกฟัง วันหนึ่งเด็กหลายคนกำลังเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่กับการเล่นก่อสร้างบ้านเรือนเล่นตุ๊กตาและยวดยานจำลองต่างๆผู้ใหญ่ก็รีบพาเด็กออกไปจากบ้านนั้นท่ามกลางเสียงร้องไห้และความขัดขืนของเด็กทั้งหลายแต่เมื่อพาออกไปพ้นบ้านนั้นแล้วเด็กๆจึงได้เห็นว่าไฟกำลังไหม้บ้านนั้นอยู่และการที่ตนออกมาได้ก็เพราะความรักใคร่ ความเมตตาปรารถนาดีของผู้ใหญ่โดยแท้จึงไม่ต้องตายอยู่ในไฟลูกหญิงเอ๋ยที่แม่กล่าวมานี้ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าการที่ลูกนันทาออกผนวดนั้นแม้จะปรากฏว่าเจ้าชายผู้พระเชษฐาทรงมีส่วนชักชวนอย่างสำคัญก็ตามแต่ในวันหนึ่งลูกนันทาจะรู้ดีด้วยตัวเองว่าพระเชษฐาทรงชักจูงให้ได้พบขุมชัพที่สูงกว่า มีค่า ก, กว่าโลกิยาซั์อย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้แม่ขอให้คำมั่นว่าแม่จะไม่ทิ้งลูกเราจะร่วมสุขร่วมทุกข์กันแม่จะดูแลให้ความสุขแก่ลูกอย่างดียิ่งเท่าที่จะทำได้และแม่ขอให้คำปฏิญาว่าในชีวิตของแม่นี้แม่จะทำงานที่สำคัญสักอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ลูกแก่เจ้าพี่หญิงเนยโธทราและสตรีอื่นๆ อ, อ, อีกเป็นอันมากแม้ว่าจะต้อง ฝ่าฟันอุปสรรคความยากลําบากสักเพียงไรแม้ว่าจะเสียชีวิตเลือดเนื้อแม่ก็จะทําโดยไม่พรั่นพรึงแต่แม่จะยังไม่บอกว่าแม่จะทําอะไรเมื่อวันนั้นมาถึงแล้วและเมื่อลูกได้รับประโยชน์จากการนั้นแล้วลูกก็จะรู้เองว่าเรื่องที่แม่จะทํานั้นคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร จากข้อความข้างบนนี้นอกจากจะแสดงถึงพระอุปนิสัยแห่งความเป็นพระมารดาที่ปฏิบัติพระองค์เป็นร่มโพร่มใสแห่งพระโอรสและพระสุนิสาแล้วยังทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวมด้วยพระวิริยาอุตสาหะอันแรงกล้าและเด็ดเดี่ยวนันทกประชาบดีเป็นวนรรณกรรมประเภทนวนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท่าอาจารย์ได้นําประวัติพระอริยสาวกผู้เป็นพระอระหันต์ขีนาศพจากพระประยุลญาติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเพื่อสดุดีพระเกียรติที่ได้ทรงบำเพ็ญไว้ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีที่ได้ทรงเป็นพระมารดาเลี้ยงถวายพระขีระธาราแต่องค์เจ้าชายสิทธัตถะหลังประสูตรได้เจ็ดวัน และทรงบำรุงจนกระทั่งเสด็จออกทรงผนวกสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นยังได้ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่สถาปนาสถาบันพิษุณีสรงขึ้นในพระพุทธศาสนาจนเป็นผลสำเร็จทำให้สตรีมีสิทธิ์ได้บวชเป็นพิษุณีด้วยเหตุผลที่ว่าหญิงก็มีสิทธิ์บรรลุอริยผลเช่นเดียวกับบุรุษเพศ นันทาปชาบดีจึงถือได้ว่าเป็นเอกสารทางบันทึกชีวประวัติเล่มหนึ่งซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษคือบันทึกไว้ในรูปนวนิยายอิงหลักธรรมซึ่งท่านอาจารย์ได้โ ป, ปรยปลายธรรมะไว้ทุกตอนของเรื่องท่านผู้อ่านสามารถเก็บเกี่ยวเอาได้ตามประสงค์เพื่อให้เห็นความปราณีตบันจงของท่านอาจารย์ขอนำนิคมพ์ของท่านมาลงไวในตอนท้ายด้วย ข้าแต่พระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีข้าแต่พระนันทาเทวระผู้ทรงเป็นเลิศในทางสำรวมข้าแต่พระนางรูปนันทาผู้ทรงเป็นเลิศในทางฌานข้าแต่พระนางยโสธราผู้ทรงเป็นเลิศในทางบรรลุมหาอภิญญาและข้าแต่เจ้าหญิงชนบทกาลยานีผู้ทรงผาสุกอยู่ในพิษุนีเพศในอวสานการแห่งพระชนชีพ เรื่องราวสาดุดีพระเกียรติซึ่งควรเป็นตัวอย่างในทางดีงามแก่คนรุ่นหลังที่เริ่มมาจนจบสมบูรณ์บัตินี้ถ้าจะมีข้อพันานาหรือสันนิฐานใดๆอันไม่ถูกไม่ควรเกี่ยวโยงถึงพระประวัติอันประเสริฐควรเป็นที่ยกย่องบูชาแล้วข้าพระองค์ขอกราบประทานอภัยและขอยืนยันว่ามิได้มีอกุศลเจตนาแม้เพียงเล็กน้อย ข้าพระองค์ผู้รู้สึกประทับใจและนิยมยกย่องในกาลยาณประวัติของพระเถรีและพระเถระผู้นับเนื่องในราชสกุลศสกยะทุกพระองค์ที่กล่าวมานี้ขอถวายนมัสการด้วยคารวะและขอให้ทุกท่านผู้สดับฟังเรื่องนี้จงประสบความสําเร็จแห่งชีวิตโดยทั่วกัน ต้นของพระพิษุณีของพิษุณีในพระพุทธศาสนานะคะที่พระนางเจ้ามหาประชาบดีเป็นผู้ที่พยายามริเริ่มใครสนใจลองไปหยิบผลงานของท่านอาจารย์มาอ่านดูนะคะเพราะว่านี่เป็นการยกตัวอย่างแล้วก็คัดลอกบทความบางตอนเท่านั้นมานะคะเพราะว่าเป็นอยู่ในหนังสือผลงานด้านวรรณกรรมผลงานประวัติและงานของท่านอาจารย์สุชีบุญญานุภาพค่ะ เดี๋ยวคราวหนะ้ามาพูดถึงเรื่องอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายที่เขายกตัวอย่างมาแต่ผลงานของท่านยังมีมากกว่านี้นะคะแล้วก็มาที่บทที่สามเรื่องสั้นลีลาชีวิตค่ะก็ใกล้จะจบแล้วนะคะสําหรับหนังสือของท่านอาจารย์เหลืออีกไม่กี่หน้าช่วงป้ายยิ่งเข้มข้นโดยเฉพาะมีการหยิบยกผลงานทางด้านวรรณกรรมของท่านอาจารย์สุชีปัญญานุภาพมานะคะ เป็นหนังสือที่ดีมากเล่มหนึ่งนะคะที่ดิฉันอ่านผ่านไปก็คือประวัติและงานของท่านอาจารย์สุชีพบุญญานุภาพผู้ที่มีผลงานทางด้านพระพุทธศาสนามากมายทีเดียวนะคะเป็นบุคคลที่สําคัญในวงการพระพุทธศาสนาค่ะหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยมูลิธิมหามากุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชุปถัมป์เป็นที่ะระลึกในงานพระราชทานเพลงศกของท่านอาจารย์สุชีพบุญญานาาุภาพที่เมนวัดเทพสรินทาวาส วันอาทิตย์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2543ค่ะก็เดี๋ยวเราจะพักฟังเพลงบรรเลงสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็จะกลับมาในผลงานของท่านอาจารย์ป้าร่วมกาสวพัฒที่เรากำลังอ่านกันอยู่นะคะก็ขอให้ผลแห่งความดีนะคะที่เราได้รับไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นหรือความสบายใจที่ได้ฟังได้อ่านก็ขอให้ผล เห็นความดีเหล่านั้นนะคะได้ส่งผลปรับไปถึงท่านอาจารย์สุชีพปัญญานุภาพไม่ว่าท่านจะอยู่ในพบไหนชาติไหนขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงบรรเลงเพ้อๆกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณสัชิธรคูวังทัดิโลกรออยู่แล้วค่ะ ส่วนอักษร น, นะคะก็ เ, เป็นเป็นประจําทุกเช้าถ้าเป็นเช้าวันพฤหัสจะมีดิฉันอัญชีสาลิกิตที่รุ่งเรืองนะคะทําหน้าที่อ่านหนังสือให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็ดำเนินรายการพร้อมกับคุณสาธิทรกวงขัดิโลกที่นําเพลงบรรเลงเ พ, า ะ, เพาะมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะเพลงบรรเลงนั้นมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งท่านชอบมากเลยโดยเฉพาะเสียงผิมนะคะที่คุณสาธิทรมาเปิด ใส่ในรายการดิฉันนะคะมีคุณป้าท่านหนึ่งชอบมากท่านอยู่ทางบางประกงท่านก็ฝากบอกมาด้วยนะคะทีนี้มาถึงเรื่องหนังสือเล่มที่สองที่เราจะอ่านกันก็คือเรื่องใต้ร่มกาศวพัฒผลงานของท่านอาจารย์สุชีพปัญญานุภาพซึ่งญาติของท่านนะคะคือภรรยาของท่านในราคาก็ได้หยิบมาจัดพิมพ์เป็นที่ดลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของท่านอาจารย์สุชีพปัญญานุภาพ เราอ่านกันถึงบทที่ห้าเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มแห่งตระกูลเศรษฐีนะคะที่เป็นบวชเป็นพระพิสุเหมือนกับองคุริมาแล้วก็ได้มาพูดคุยเล่าถึงประวัติของตัวเองให้องคุริมาฟังนะคะคราวที่แล้วเราอ่านกันถึงหน้าห้าสิบสองดิฉันขอย้อนกลับไปห้าสิบอ็ดนิดนึงค่ะ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 อันเป็นที่รักยิ่งทั้งที่ยังอยู่ครองสมบัติเหล่านั้นไม่ทันอิ่มเต็มปรารถนามรุดตยูอันครอบงําชีวิตสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ละเว้นเลือกหน้าผู้ใดเลยเพราะฉะนั้นสมบัติทางสักยวงศ์อันสืบมาจนถึงบิดาตถาคตและในที่สุดก็จะตกแก่ตถาคตนี้จึงชื่อว่าเคยมีผู้ครอบครองมาแล้วไม่รู้จํานวนเท่าไหร่ทั้งผู้ครอบครองเหล่านั้น เมื่อตกอยู่ในอำนาจมารุตยูย่อมไม่สามารถนำสมบัติอะไรไปด้วยได้มาดว่าจะเป็นผ้านุ่งหรือผ้าห่มสักผืนหนึ่งถ้าตถาคตอยู่พรองสมบัติในวาระที่มาถึงนั้นความเป็นไปอันซ้ำกับพระราชาองค์ก่อ น, ก, อนก็จะผ่านซ้ำๆมาอีกเช่นเดียวกันเพราะปารกเหตุนี้ตถาคตจึงสแสวงหาหนทางอันนามาซึ่งความสุขที่สูงกว่า ปราณิกกว่าความสุขอันตั้งอยู่เนื้อความไม่เที่ยงแทแปรปบรวนนั้นความสุขทั้งโลกเปรียบดังความฝันและของขอยืมเข้ามาคนนอนฝันเห็นสวนดอกไม้ดอกไม้ผลป่าภูมิสถานและสระน้ำอันน่ารื่นรมครั้นตื่นขึ้นอารมณ์ที่เห็นในฝันนั้นก็หายไปบุคคลขอยืมของของผู้อื่นมา เป็นต้นว่าเครื่องประดับและเครื่องใช้แต่งตัวงดงามขึ้นสู่ยานอันแวดล้อมพร้อมพร่งด้วยของแต่ล้วนยืมเข้ามาทั้งสิน้นใครๆก็พากันกล่าวว่านายคนนี้มั่งมีจริงหนอแต่พอเจ้าของเขามาพบเขา้าเขาก็ทวงของของเขาคืนไปเช่นนี้ความเป็นคนมั่งมีอันปลอมของผู้นั้นก็สิ้นสุดลงฉันใดความสุขทั้งโลก ซึ่งมีชั่วครู่ชั่วยามแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์หรือผู้เสวยยังไม่ทันอิ่มเอมในที่สุดแล้วต้องสิ้นชีวิตเสียก่อนก็เปรียบ<ม>เหมือนความฝันและของขอยืมเข้ามาฉันนั้นคนผู้ตกอยู่ในอำนาจกิเลสย่อมสำคัญโลกิยสุขเป็นของวิเศษน่ารื่นรมย์ใจแต่ผู้ที่พิจารณาโลกด้วยปัญญาและปลื้มตนจากกิเลสได้แล้วย่อมไม่ติด ไม่กระหิมยินดีในสุขเห็นปานนั้นเปรียบเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนโรคยิ่งกำเริบ ม, มากก็ยิ่งรู้สึกว่าการเกาขอบแผลด้วยเล็บการย่างตัวหลุมฐานเพลิงเป็นของทําความสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างดีแต่เมื่อเขารักษาตัวหายจากโรคนั้นแล้วเขาคงเห็นว่าการเกาในเมื่อไม่คันการย่างตัวที่หลุมฐานเพลิงในเมื่อไม่มีแผลโรคเรื้อน ไม่ใช่ความสุขสําหรับเขาที่แท้จะทําให้เป็นแผลและร้อนพองไปเปล่าๆความรู้สึกอริดอร่อยในการเกาการย่างตัวของคนเป็นโรคเรื้อนก็เช่นเดียวกับความรู้สึกพอใจในกามของผู้เป็นโรคคือกิเลสความไม่ปรารถนาจะเกาและย่างตัวอีกของผู้หายโรคแล้วย่อมเปรียบได้กับความไม่ปรารถนาการมาสุขของผู้ทํากิเลสให้สิ้นได้แล้วอีกอย่างหนึ่งต่างว่าสุนัข ซึ่งพอใจกินเศษอาหารและซากศพตลอดจนของโสโครกอื่นๆอย่างรู้สึกเป็นสุขยิ่งครั้นตายไปแล้วเกิดเป็นมนุษย์ได้รับความสุขของมนุษย์เพียรพร้อมด้วยกรรมคุณห้าและถ้าผู้นั้นระลึกชาติได้ว่าตนเคยเป็นสุนัข ก, กินซากศพเป็นต้นก็ย่อมรังเกียจความสุขในสมัยเป็นสุนัขเห็นว่าความสุขของมนุษย์ดีกว่าครั้นตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดา มีกามคุณอันเป็นทิศดีกว่าประณีตกว่ายั่งยืนกว่ากามคุณของมนุษย์และเมื่อระลึกชาติได้ก็คงระเกียดความสุขของมนุษย์อันหนึ่งจุติจากโลกเทวดาแล้วไปเกิดในพรหมโลกได้เสวยปิติสุขอันปราศจากกามก็คงรู้สึกรังเกียจความสุขในกามแม้ของเทวดาฉันใด ความสุขที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเสวยอยู่นี้ก็มีปราณีตขึ้นไปเป็นชั้นๆบางคนหลงติดอยู่ในสุขชั้นต่ำคือกามคุณบางคนเห็นโทษของกามก็สแสวงสุขอันปราณีตขึ้นไปแม้ในชั่วชีวิตคนหนึ่งหนึ่งต่างว่าผู้นั้นเคยเป็นชาวนาได้รับความสุขอย่างชาวนาครั้นต่อมาได้เป็นอมาตะก็เห็นว่าสุขของชาวนาต่ำกว่าสุขของตน และเมื่อได้เป็นพระราชาขึ้นก็รู้สึกว่าจะเป็นอยู่อย่างอมตะไม่ได้ต้องเลื่อนชั้นความเป็นอยู่ความพอใจในสุขสูงขึ้นไปอีกบุคคลพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นโลกตามเป็นจริงแล้วย่อมแลเห็นได้ว่าความสุขอย่างไรเป็นสุขอย่างต่ำอย่างกลางและอย่างสูงตถาคตไม่กระยิม น, นิยมในการมาสุข ตถาคตได้บรรลุสุขอันสูงกว่าปราณีกว่าการมสุขนั้นแล้วความสุขที่ตถาคตพบนี้ไม่เจือด้วยทุกข์ไม่ประกอบด้วยกิเลสเป็นสุขอันแท้จริงที่ทําผู้บรรลุแล้วให้พ้นจากความเกิดแก่และเจ็บตายในชาตินี้เราเกิดมาแล้วเราไม่สามารถหลีกพ้นจากความตายไปได้ก็แต่ว่าเราอาจบำเพ็ญเพียชรชําระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ ตามผลทางแปดประการที่ตถาคตค้นพบเพื่อความไม่เกิดอีกต่อไปได้และเมื่อเราไม่เกิดอีกแล้วความตายก็ไม่จำต้องพูดถึงต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคก็แสดงผลทางแปดประการมีความหินชอบเป็นต้นมีความตั้งใจมั่นชอบเป็นที่สุดพารดาเอ๋ยพระศาสดาท่านแสดงธรรมเหมือนหนึ่งมานั่งในหัวใจของข้าพเจ้าแล้ว แก้ปัญหาข้องใจความเคลือบเคลิ้มหลงไหลในวัยสมบัติให้เหือดแห้งไปสมบัติบรมจักรที่ท่านละทิ้งนั้นถ้านามาเปรียบกับสมบัติบิดาของข้าพเจ้าแล้วไกลกันนักข้าพเจ้าเห็นว่าความลำพองในสุขและทรัพย์ของตนที่เคยมีนั้นช่างเหมือนความพอใจในซากศพและเศษอาหารของสุนัขเสียเหลือเกินข้าพเจ้าตกลงใจในขณะนั้นว่า จะไม่เกาขอบแผลและย่างตัวอย่างคนเป็นโรคเรื้อนอีกต่อไปข้าพเจ้าจะบวชและจะไม่ยอมให้ใครขัดขวางความตัดสินใจนี้เป็นอันขาดเมื่อมหาชนพากันถวายบังคมลากรับกันเป็นส่วนมากข้าพเจ้าจึงเข้าไปกราบแท่พระบาททูลขอบรรพชาในศาสนาพระองค์ตรัสถามว่ามารดาบิดาอนุญาตแล้วหรือยังถ้ายัง ก็จะต้องขออนุญาตก่อนดังนี้ข้าพเจ้าจึงจำใจถวายบังคมลากลับพร้อมได้วยคนใช้นึกไปตลอดทางว่าจะต้องบวชให้ได้ข้าพเจ้ากลับไปถึงปราสาทเอาเกือบคำ่ำและรู้สึกว่าพระกระแสเทศนาประกอบด้วยอัร ธ, ธรรมของพระผู้มีพระภาคนั้นยังแว่วอยู่ในโสดมิรู้วาย คุณผูฟังคะจบบทที่ห้านะคะที่เขาเล่าเล่าถึงประวัติของพระพิสุรูปหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มแห่งตระกูลเศรษฐีที่ได้มาฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ตัดสินใจบวชซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้สอดแทรกข้อคิดนะคะในพระธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาให้เด็กหนุ่มฟังก็คือความไม่เที่ยงแท้ของมนุษย์แล้วก็ การหลงในการมาคุณต่างๆรวมถึงทรัพย์สมบัติต่างๆเมื่อเราตายไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้สำหรับมนุษย์เป็นอนิจจังหมดค่ะดูเวลาแล้วดิฉันยังไม่อยากเริ่มบทที่หกเลยนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยมาอ่านกันก็ไม่จบบทอีก เอาเว้นไว้แค่นี้ดีไหมคะแล้วก็วันนี้ฟังเพลงบันเลงเพราะๆ เ, เยอะๆแล้วกันนะคะเพราะว่ากลัวว่าอ่านบทที่หกเดี๋ยวคราวหน้ามาบทที่หกไม่จบอีกหนังสือเล่ม น, นี้นะคะใต้โร่มกาสวพัฒเป็นหนังสือที่ไม่ยาวมากนักมีอยู่ประมาณกี่บทเดี๋ยวทีฉันลองพลิกไปให้ดูนะคะมีอยู่ประมาณประมาณประมาณสิบสองบทนะคะแล้วก็แล้วก็มีบันทึกเรื่องวันเดือนปีในบทที่แปด ก็จะอ่านไปจนหมดเลยนะคะแต่ว่าจะยกเว้นในเรื่องของเจ้าผ้าสวดพระอภิธรรมศพของท่านอาจารย์แล้วก็ขอบคุณผู้ที่นำพวงหรีดมาถวายข้างหลังที่ท้ายเล่มเนี่ยนะคะก็คงจะเว้นไว้เพราะว่ามีแต่ชื่อคนแล้วก็ชื่อบริษัทก็ประมาณสิบสองบทตอนนี้เราอ่านถึงบทที่หกแล้วครึ่งนึงแล้วนะคะคราวหน้ามาต่อกันบทที่หกพระมรดญ์ น, นี้เพื่ออะไรนะคะจะได้แบบฟังววทีระบทบทเราจะได้จับ ใจความของเนื้อเรื่องได้ถูกเพราะว่าเราเว้นกันเป็นอาทิตย์นะคะกว่าจะมาเจอกันใหม่ก็วันพฤหัสหน้านะคะทุกวันพฤหัสที่เราจะเจอกันยิงท้ายนะคะที่หนังสือเนื้อติดกระดูกของอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกที่ท่านแปลมานะคะแปลมาจากหนังสือถอดความจากเซนเฟรส s ซนโบนบายเพิร์ลแร็ปน ะ, ะไม่ทราบที่ฉันอ่านถูกหรือเปล่าบทที่สิบเก้าหลัก ทมสำคัญค่ะผู้ที่ไปวัดโอบากุเมืองโกโตจะสังเกตเห็นอักษรสลักอยู่เหนือประตูวัดว่าหลักทมสำคัญตัวหนังสือค่อนข้างใหญ่และผู้มีหัวทางอักษรศิลก็มักยกย่องกันว่า แกะสลักได้สวยงามอักษรเหล่านั้นออกแบบโดยโกเซนเมื่อร้อยปีล่วงมาแล้วเวลาอาจารย์โกเซนออกแบบท่านร่างลงบนกระดาษแล้วพวกช่างขยายให้อีกทีหนึง่งแล้วจึงนําไปแกะสลักเมื่อตอนเขียนร่างอยู่นั้นมีลูกศิษย์แก่นๆคนหนึ่งคอยเตรียมหมึกและติชมอยู่ข้างๆไม่สวยเขาบอกอาจารย์หลังจากท่านเขียนแผนแรกเสร็จเป็นไงแผ่นนี้ อาจารย์ชูแผ่นที่สองอวดว่าแย่ยิ่งกว่าอันแรกเสียอีกเสียงติจากลูกศิษย์อาจารย์โกเซนอดทนเขียนแผ่นแล้วแผ่นเล่าจนถึงแปดสิบสี่แผ่นลูกศิษย์ก็ยังไม่พอใจอยู่นั่นแหละพอลูกศิษย์ออกไปธุระข้างนอกสักครู่อาจารย์คิดว่าคราวนี้ค่อยมีโอกาสหลบสายตาเจ้าชอบตินั่นหน่อยแล้วท่านก็รีบลากอักษรไปตามแผ่นกระดาษด้วยใจเป็นสมาธิ เพรเาะไม่มีเสียงติอยู่ข้างๆยอดเยี่ยมไปเลยแผ่นนี้ลูกศิษย์อุทานด้วยดีใจเมื่อกลับมาเห็นเข้าก็ปรากฏว่ามีคนติอยู่ข้างๆไม่มีสมาธิจะเขียนนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าคนติไปแล้วเนี่ยแมเขียนได้สวยงามทีเดียวนะคะก็เป็นธรรมดาทำอะไรทั้ มัวแต่ระแวงว่าเดี๋ยวเขาจะจับผิดอะไรแบบนี้ก็ก็คงจะทําไม่ได้เต็มที่เต็มไม่เต็มหน่วยนัดเพราะว่ามัวแต่ไประแวงนะคะเหมือนกับการทํา ง, งานนี่แหละค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายที่ข้อคิดสั้นๆหนึ่งนาทีเพื่อชีวิตนะคะของพระธรรมกิติวง์ทองดีสุราเตโชประเดียนธรรมเก้าราชบัณฑิตในหนังสือเล่ม น, นี้นะคะซึ่งท่านก็พิมพ์เนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าด้วยเหตุผลที่ตั้งชื่อนี้ก็เพราะว่าหนึ่งนาทีที่เสียไปจากการอ่านเนื้อหาธรรม มะแต่ละบทนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตและอาจทำให้ชีวิตมีค่าหรือได้รับความสุขสำเร็จอย่างคาดไม่ถึงซึ่งหนังสือนี้นะคะก็มีการย่อความจากบทธรรมมาเรียบร้อยวันนี้ทิ้งท้ายด้วยหัวข้อที่ว่าคนดีเป็นกันได้ที่การกระทำค่ะ เฟ้นหาคนดีมาเป็นเพื่อนมาเป็นคู่ครองหรือมาเป็นตัวแทนของตนจะต้องพิจารณาให้ถ่องแท้เพราะคนดีนั้นเป็นกันได้ด้วยการกระทํามิใช่เป็นกันได้ด้วยปากที่พูดโอ้อวดว่าฉันเป็นคนดีเพราะคนดีด้วยปากเช่นนั้นทาให้คนที่เชื่อผิดหวังทําให้เดือดร้อนล่มจมม า, มามากต่อมากแล้วนะคะ ก็ถ้าดีก็ดีที่การกระทาดีทั้งข้างในใจิตใจกระยาการกระทาความประพฤตินะคะวันนี้ดิฉันอัญชีสาลลขิดที่รุ่งเรืองพร้อมกับคุณสัชทธรกวงคดีโลกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะเราจะเจอกันใหม่กับหนังสือธรรมะในวันพฤหัสบดีหน้า ส่วนวันอื่นๆก็จะมีรายการสวนอักษรนะคะมีทุกวันไม่เว้นวันหยุดค่ะที่จะมีหนังสือดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะและถ้าตื่นเช้าๆก็อย่าลืมที่จะใส่บาทช่วยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะทำดีตลอดเวลาทุกวินาทีด้วยเจอกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าสวัสดีแลวก็มีความสุขค่ะ